ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการัจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ส1บเอ็ดกะยะวิกะยะสมาปัติวินิชยกถา ก, ากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการซื้อและการขาย คำว่าถึงการแลกเปลี่ยนได้แก่การถึงการแลกเปลี่ยนทิกษุถือเอากัปปิยะพันธ์ของผู้อื่นย่อมถึงการแลกเมื่อให้กัปปิยะของตนย่อมถึงการเปลี่ยนโดยในายเป็นต้นว่าท่านจงให้ของสิ่งนี้ด้วยของสิ่งนี้ดังนี้อันหึงการแลกเปลี่ยนนี้กับพวกเครหถัดและพวกนักบวชที่เหลือเว้นสาธรรมิกเเสีย โดยที่สุดแม้มารดาบิดาก็ไม่ควรแต่ว่าแลกเปลี่ยนกับสาธรรมิก้าได้ก็คือภิกษุภิกษุณีสิกขามาณาสัมเดนสัมเดรีวิธิชัยในการแลกเปลี่ยนนั้นดังต่อไปนี้ถ้ากับผ้าก็ตามอาหารกับอาหารก็ตามจงยกไว้ภิกษุกล่าวถึงกับพิยภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าท่านจงให้สิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้เป็นทุกกด ที่สุขกล่าวอยู่นั้นแล้วให้พนันหะของตนแม้แก่บรรดาก็เป็นทุกกฎที่สุอานรรดากล่าวว่าท่านจงให้สิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้หรือกล่าวว่าท่านจงให้สิ่งนี้ฉันจะให้สิ่งนี้แก่ท่านแล้วถือเอาพนันหะแม้ของบรรดาเพื่อตนก็เป็นทุกกฎเมื่อพนันหะของตนถึงมือของคนอื่นและเมื่อพนันหะของคนอื่นถึงมือของตนเป็นนิสักยะปาจิตตี สมัยนี้ก็อาจจะแลกอาตมามีจีวรแต่ว่าไม่ต้องการจีวร น, นี้เรามาแลกกันเอาไหมจะแลกผ้าขาวลงเอาผ้าขาวมาแลกกับจีวอนอาตมานี่ก็ถ้าเขาส่งมาให้ในมือเราก็ต้องทุกข์กดถ้าจีวอเราไปอยู่ในมือเขาก็ต้องปฏิสขิยปัญจิตีแต่ถ้าฉลาดก็จะมีวิธีการเดี๋ยวจะบอกกว่วิธีการแรกที่ไม่ต้องอาบัต แต่เมื่อพิกตุกล่าวกรรมานาหรือบิดาว่าท่านจงให้สิ่งนี้ไม่เป็นวินยัต eker. ไม่เป็นการออกปากเพราะว่าเป็นญาิเมื่อพิกตุให้ด้วยกล่าวว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้ไม่เป็นกันยังศรัทธาไทยให้ตกไปเพราะว่าให้กับพ่อแม่นี้ไม่ทำให้ศรัทธาไทยตกเมื่อพิกตุพูดกับผู้มิใช่ญาติว่าท่านจงให้สิ่งนี้เป็นวินยัตคือการออกปากขอ เมื่อพูดว่าท่านจงถึงเอาสิ่งนี้เป็นการยำศรัท ธ, ธาไทยให้ต่อไปเมื่อพิกษุถึงการแลกเปลี่ยนว่าท่านจงให้สิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้เป็นนิสักทีด้วยถ้าได้ของเบมาเพราะฉะนั้นอันพิสูุผู้จะแลกเปลี่ยนกับอิยาพัน์พึงแลกเปลี่ยนกับบมนาบิดาให้พ้นจากการแลกเปลี่ยนก็คือกะยะวิกะยะสิกขาบทนี้กับพวกคนผู้มิใช่ญาติให้พ้นอบดับสามตัว ก็คือนิสสกิยะปาจิตตีเพราะอัญญาต ะ, ะวิญญตัตของผู้ทีิเบชนิยติข้อหึงกะยะัวิกะยะัสิกขาบทนี้คือการแลกเปลี่ยนข้อหึงแล้วก็ทุกกฎเพราะยังศรัทธาไทยให้ตกไปอีกข้อหนึ่งในกับยิ่พันนั้นมีวิธีการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้พิกจุมีข้าวสารเป็นสเสบียงเดินทางเธอเห็นบุรุษถือเอาเข้าวตกในระหว่างทางแล้วพูดว่าเรามีข้าวสาร และเราไม่มีความต้องการด้วยข้าวสารนี้แต่มีความต้องการด้วยข้าวสุกนั้นนี้บุรุษรับเอาเข้าวสารแล้วถวายข้าวสุกควรอยู่ไม่เป็นอบัตทั้ง3าตัวนี้ไม่ได้บอกว่าแรกเลยนะแต่ว่าเป็นการเปลยว่าเรามีข้าวสารแต่เราไม่ต้องการข้าวสารเราต้องการข้าวสุกเป็นการพูดเปลยว่าสุกขฉลาดเขาก็เปลี่ยนให้แนกให้หรก็ไม่มีอบัต ชั้นที่สุดแม้เพียงสักว่านิมิตรกรรมก็ไม่เป็นพระเหตุไรเพราะมีมูลค่าก็คือมีสิ่งตอบแทนมีสิ่งให้เขาไม่ได้เป็นการขอด้วยนะอันหนึ่งพิสุไดไม่กระทำอย่างนี้แลกเปลี่ยนว่าท่านทรงให้สิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้เป็นอบัตตามวัตถุแท้โยเเกเอาก็ส่งมาแลกกับข้าวใสของอัตมานะนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนพิกสุเห็นคนกินเดนกล่าวว่า เธอจงกินข้าวสุกนี้แล้วนำน้ำย้อมหรือว่าฟืนมาให้เป็นนิสักีหลายตัวตามจานวนสกเก็ดน้ำย้อมและจํานวนฟืนที่สุกล่าวว่าพวกท่านบริโภคข้าวสุกนี้แล้วจงทากิจชื่อนี้แล้วให้พวกช่างศิลป์บีช่างแกะสลักนาเป็นต้นให้ทาบริขารนันบรรดาบริขามีธรรมกรกเป็นต้นหรือใช้พวกช่างย้อมให้ซัผ้า เป็นอาบัตตามวัตถุทีเดียวพิกตุให้ช่างกัไ ร, ระบบปลงผมให้พวกกรรมกรทํำนวกรรมเป็นอาบัตตามวัตถุเหมือนกันก็ท่านพิกตุไม่กล่าวว่าพวกท่านบริโภคอาหารนี้แล้วจงทํากิจนี้กล่าวว่าเธอจงบริโภคอาหารนี้เธอบริโภคแล้วหรือจักบริโภคจงช่วยกันทํากิจชื่อนี้ย่อมขวดเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเป็นปัจจุบันนาำตาล อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกิจการงานที่เขาทากับวัตถุ ก, ก็คืออาหารของพระพิสุทแต่ถ้ากล่าวเป็นอนดีตการคือเธอบริโภคแล้วหรือว่าจาักบริโภคเป็นอนาคตการแล้วจงช่วยทำกิจชื่อนี้อันนี้ก็สมควรอันนี้ก็ไม่เป็นาบาปความจริงแล้วให้เขาบริโภคก็บริโภคไปแล้วก็ขอแรงงานก็ได้เพราะสิ่งที่ก็ามาทําเนี่ยมันไม่ได้มีวัตถุเป็นแรงงานก็เรียกว่าขอหัตถกรรม ไม่มีอวบัดเหมืกันก็ในการซักผ้าหรือในการปมผมหรือนวกรรมมีการถางพื้นที่เป็นต้นนี้พันหะของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนชื่อว่าอันที่สูงพึงสละย่อมไม่มีแมก็จริงก็คือไม่มีวัตถุใดการที่จะเอามาแลกเปลี่ยนของตนถึงอย่างนั้นเพราะท่านกล่าวไว้หนักแน่นในมหาอันตรกถากใครไม่อาจคัดค้านคํานั้นได้ เพราะฉะนั้นที่สุพึงแสดงปาจิตตีิดนเพราะการเจ้างซักท้าเป็นต้นแบบนี้เหมือนแสดงปาจิตตีิดนเพราะนิสักียวัตถุที่บริโภคหรือว่าเสียหายแล้วเะ่นนั้นนิสักียวัตถุนั้นเสียหายไปแล้วไม่มีอะไรต้องเอาไปสละดังนั้นก็ให้แสดงบัตปาจิตติเลยที่สุจะถามราคาเพราะใครจะถือเอากับิยาพั์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมควรเพราะฉะนั้นถ้า จะไปซื้อของกับกับอยิยะการกรกพิกสุจะถามราคาเขาก็ได้ถ้ามันแพงเกินไปก็ไม่เอาหรือให้กับอยิยะการรกต่อราคาก็ได้นะถ้ามันแพงมากเกินไปสามารถนี้ถามราคาได้เหมือนกันพิกสุไปต่อราคาเองก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อพิกษุถามว่าบาททุนท่านนี้ราคาเท่าไรเจ้าของบอกว่าราคาเท่านี้ ถ้ากับย่าพันของพิสูจนนั้นมีราคามากและพิสูตตอบอุบาสกนั้นไปอย่างดีว่าอุบาสกวัตถุคนเรานี้มีราคามากท่านจงให้บาทของท่านแก่คนอื่นเถิดฝ่ายอุบาสกได้ยินคํานั้นกล่าวว่าผมจะแถมกระถังอื่นให้อีกจะรับเอาไว้ก็ควรถ้าบาทนั้นมีราคาแพงสิ่งของของพิสูจมีราคาถูกและเจ้าของบาทไม่รู้ว่าของนั้นราคาถูก พิกษุอย่าพึงรับเอาบาทพึงบอกว่าของของเรามีราคาถูกกิงอยู่เมื่อพิกษุรู้ว่าบาทมีราคาแพงกล่าวหลอกลวงมาว่ามีราคามากรับเอาบาดไปจะพึงถึงความเป็นผู้อันพระวินัยทรนพึงให้ตีราคาถึงของแล้วปรับอาบัตถ้าเจ้าของบาทกล่าวว่าช่างเถอะขอรับที่เหลือจัดเป็นบุญแก่ผมแล้วถวายควรอยู่ แต่บอกกับปิยาการุปกว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ให้หน่อยย่อมควรอันนี้ก็ใช้ให้กับปิยาการุกแลกให้อันนี้ได้แต่ว่าตัวเองถ้าแลกเองอันนี้เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นพิกสุทำคนอื่นให้เป็นกับปิยาการกุกโดยที่สุดแม้เป็นบุตรหรือพี่ชายน้องชายของเขาเว้นคนที่ตนรับพันธะาจากมือแล้วบอกว่าเธอจงเอาสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ให้ด้วย ถ้าใช้บุตรของคนขายก็ยังได้นะถ้าบุตรหรือพี่ชายน้องชายนั้นเป็นคนฉลาดคัดเลือกต่อรองซ้ำซ้ำซักทราแล้วจึงรับเอาภิกษุพึงยืนนิ่งอยู่ถ้าเขาเป็นคนไม่ฉลาดไม่รู้จักจะถือเอาพ่อค้าจะลวงเขาภิกษุพึงบอกเขาว่าเธออย่าเอาดังนี้แต่ถ้าเกิดไปซื้อของแพงเกินไปก็บอกว่าไม่ต้องเอาละเมื่อภิกษุกล่าวว่าน้ามัน หรือเนวยใสที่รับประเคหนแล้วนี้ของอัตมามีอยู่แต่อัตมาต้องการของอื่นๆที่ยังไม่ได้รับประเคถ้าเขารับเอาน้มมนํา ม, มันหรือว่าเนยใสนั้นให้น้ํามันหรือเนยใสอื่นอย่าพึงให้ตวงน้ํามันของตนก่อนเพราะเหตุไรเพราะยังมีน้ํามันที่ยังเหลืออยู่ในธนาคน้ํามันน้ํามันที่เหลือนั้นจะพึงทําน้ํามันที่ยังไม่ได้รับประเคของพิกจุผู้ตวงในภายหลังไม่ให้เสียไป ก็ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนนี้ท่านกล่าวไว้แล้วด้วยกับิยพันธ์ต้องเป็นกับิยพันธ์จึงแลกเปลี่ยนกันได้จริงอยู่ท่านกล่าวว่าเป็นอบัตินิสกีด้วยกายวิการศึกษาบทแต่ที่สุผู้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นกับิยด้วยสิ่งที่เป็นกับิยถึงว่าแลกเปลี่ยนตรงตรไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้กับิยโวหารก็สามารถแลกได้เฉพาะที่เป็นกับิยพันธ์เท่านั้นแต่เป็นอบัตินิสกีด้วย รูปิยะสังโหหาระติขาบทรูปิยะสังโหหาระหมถึงแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะคือไปซื้อขายย่อมมีแต่ที่สุผู้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอักบิยะด้วยสิ่งที่เป็นอักบิยะหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอักบิยะด้วยสิ่งที่เป็นกับิยะหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นกับิยะด้วยสิ่งที่เป็นอักบิยะก็คือเอาเงินทองหรือว่าวัตถุที่เป็นอักบิยะเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าซื้อขาย เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เป็นอัตปิยะในทั้งสองฝ่ายหรือในฝ่ายหนึ่งการแลกเปลี่ยนรูปิยะย่อมมีก็เป็นการซื้อขายไปอันหนึ่งผู้ศึกษาฝึงทราบปัตตะจตุ ก, กะนี้ก็คือเรื่องของบาสีใบบมวดสี่ของบาทเพื่อแสดงว่าที่รูปิยะสังโวหาระสิกขาบทนี้ดัป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเรื่องของการซื้อขาย กอนพิดารว่าพิสุได้รับเอารูปียะแล้วจ้างให้ขุดแร่เหล็กขึ้นด้วยรูปียะนั้นให้ช่างเหล็กถลุงแร่เหล็กนั้นแล้วให้ทําบาด้วยโลหะนั้นอันนี้ก็ไปเอาเงินเนี่นะไปจ้างให้ขุดแร่เหล็กขึ้นมาเลยแล้วก็ยังไปจ้างให้เขาถลุงแร่เหล็กนั้นด้วยให้ทําเป็นบาดให้ถลุงแร่นั้นเป็นโลหะแล้วก็เอามาทําเป็นบาด เพราะฉะนั้นบาสนี้ชื่อว่าเป็นมหาอากาปิยะไม่สมควรอย่างมากๆเลยเป็นมหาเลยที่สุนั้นไม่อาจทําให้เป็นกัปปิยะได้ด้วยอุบายไรๆเลยก็ทําว่าให้ทําลายบาสนั้นแล้วให้ช่างทํากระถางแม้แกระถางนั้นก็เป็นอากาปิยะไม่ควรใช่เหมือกันให้ทํามีดแม้ไม้สีฟันที่ตัดไในมีดนั้นก็เป็นอากาปิยะ ให้กระทําเบ็ดแม้ปลาที่เขาให้ตายด้วยเบ็ดนั้นก็เป็นอากาศปิยะก็ฉันไม่ได้เหมือนกันที่สุให้ช่างเผาตัวบีดให้ร้อนแล้วแช่น้ำหรือน้ํานมสดให้ร้อนแม่น้ําและดมสดนั้นก็เป็นอากาศปิยะไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบาดใบแรกนี่ที่เป็นมหาอากาศปิยะเนี้ยให้ทําลายแล้วเอาไปทำเป็นวัตถุอะไรต่างๆนี่ก็เป็นอากาศปิยะทั้งหมดเลยแก้ไขไม่ได้ กพิกูใดรับรูปียะแล้วซื้อบาทด้วยรูปียะนั้นแม้บาทนี้ของพิสูจนนั้นก็เป็นอกักปิยะเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นมหาอากักปิยะนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ในมหาปัญจญจีท่านกล่าวว่าไม่สมควรแม้แก่สาธทรมิิฆังห้าแต่พิสูจนนั้นอาจทำบาดนั้นให้เป็นกับปิยะได้จริงอยู่เมื่อพิสูุให้บุญค่าแก่เจ้าของบุญค่า ให้บาทแก่เจ้าของบาทจึงเป็นกับปิยะได้ที่สุดจะให้กับปิยะพัน์แล้วรับเอาไปใช้สอยสมควรอยู่บาทใบที่สองไปซื้อมาด้วยเงินทองก็เป็นอากรรมยะแม้แก่สาธารกังห์แต่ถ้าบาทไปคืนเจ้าของร้านแล้วกับเงินคืนให้แต่เจ้าของเขาไปแล้วก็ใช้กับโยหารแลกเปลี่ยนออมสินรหรือว่าให้กับยาการกจัด ก, การให้บาทที่ซื้อไปนั้นก็จะสามารถเอากลับมาใช้ได้ ด้วยกับปิยพันธ์หรือว่ากับปิยาการกไปจัดการหรือเจ้าของก็ซื้อให้อันนี้เป็นบาทใบที่สองฝ่ายพิกษุใดให้รับเอารูปิยะไว้แล้วไปยังตระกูลช่างเหล็กกับกับปิยาการกเห็นบาทแนวพูดว่าบาทนี้เราชอบใจและกับปิยาการกให้รูปิยะนั้นแล้วให้ช่างเหล็กตกลงแม้บาทใบนี้อันพิสุนั้นถือเอาโดยกับปิยะโอหาร เป็นเช่นกับบาทใบที่สองนั่นเองจัดเป็นอกักบัยยาเหมือนกันก็คือไม่สมควรเพราะที่สุ ร, รับบูลค่าถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ควรแก่สะสมที่เหลือตอบว่าเพราะไม่สละบูลค่าก็คือพระศุกร์ไปรับเงินทองมาเมื่อรับเงินทองมาแล้วแม้จะให้กับยาการอกเป็นคนซื้อให้ใช้กับยาอุหานด้วยนะว่าบาทนี้เราชอบใจกับยาการอกก็รู้แล้วล่ะ ว, ว่าอันนี้ต้องซื้อบาทใบนี้ แต่ว่าเพราะว่าเงินทองนั้นกัปิสุรับมาเองก็เลยไม่สมควรอันนี้เป็นบาทใบที่สามหนึ่งที่สุดใไม่รับรูปิยะไปยังตะกูลช่างเหล็กพร้อมกับกัปปิยะการกที่ทายกส่งมาว่าท่านจงซื้อบาทถวายพระเถระเห็นบาทแล้วให้กัปปิยะการกจกร่ายกัหายปณะว่าเธอจงรับเอากหัหายปณะเหล่านี้แล้วให้บาปนี้แล้วได้ถือเอาไป บาสนี้ก็ไม่สมควรแก่พิสุรูปนี้เท่านั้นเพราะจัดการไม่ชอบก็คือเป็นจัดการเหาะะเนะเปจัดการเงินทองถ้าพิสูน์นี้ไม่ควรไปจัดการเงินทองเพราะฉะนั้นถ้าไปกลับกับไปะยะตารกจะให้ซื้อหอกก็บอกว่าโยมช่วยพิจารณาบาสนี้หน่อยพิจรารณาจีวรนี้หน่อยบาสนี้เราชอบใจจีวรนี้เราชอบใจสิ่งนั้นสิ่งนี้เราชอบใจเขาก็จะจัดการซื้อให้ถ้าเราบอกว่าโยมจ่ายไปร้อยหสิบาท เอาจีวอนอันนี้มหรือว่าจ่ายไปพันห้เอาบาทจีว อ, น, อนนี่มาหรือว่าใช้ทอไปซื้อโดยตรงเลยเนี่ยอันนี้ก็สิ่งของที่ได้บมานั้นก็เป็นอากาปิยะไม่ควรสําหรับพิจูนรูปนี้เท่านั้นแต่ว่าควรแก่พิจูนเหล่าอื่นเพราะไม่ได้รับมูลค่าก็คือไม่ได้รับเงินมาโดยตรงได้สราบว่าอุปชาของพระมหาสุมเมทะระมีชื่อว่าอนุรุธทธะเถระ ท่นบรรจุบาตเห็นปัจนมีของตนให้เต็มด้วยโดยใสยแล้วสละแกส่สงผู้ศักดสิทธิวิหาริศแม้ของพระจุรณะคาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ได้มีบาตเช่นดั้นเหมือนกันพระเถระสั่งให้บรรจุบาตนั้นให้เต็มด้วยโดยใสยแล้วให้เสียสละแก่สงดังนี้นี้ชื่อว่าอากัปปิยะปัตตะ จ, จตุกะก็คือบาตสี่ใบที่เป็นอากัปปิยะบาตใบแรกก็เป็นมหาอากัปปิยะ แก้ไขไม่ได้ไมควรแก้เป็นตุผู้ทําด้วยแล้วก็ที่สุอื่นด้วยบาลใบที่สองนี้ก็ไปซื้อมาเองเพราะฉะนั้นแก้ไขได้ตรงที่เอาบาปไปคืนเจ้าของเอาเงินไปคืนเจ้าของแล้วก็ให้จัดการรับบาด้วยกับพิญญาโวหารหรือว่ากับพิญญาพันโตนเองส่วนบาลใบที่สามนี้ก็รับอรูปิยะมาแล้วก็ให้กับพิญญาการรบไปจัดการดอดมาให้ด้วยกับพิญะาโวหารแต่ว่าก็ไม่ควรเหมือนกัน เพว่าเป็นผู้ที่รับเอารูปียะไว้แล้วบาทใบที่สี่นี้ก็ไม่ได้รับรูปียะนะแต่ว่าการัญยัติรกทยกเนี่ยให้ไปซื้อบาตถวายพระพิสดพระพิสดไปใช้วัวหารที่ไม่สมควรใช้อากาักัญยัวัวหารใช้ให้ไปซื้อก็คือให้เอาเงินให้เ้าเท่านี้เอาบาทใบ น, นี้มาเป็นอากาักัญยัวัหารเป็นการจัดการรูปียะก็ไม่สมควรเฉพาะพิกสุที่ไปซื้อเท่านั้น แต่ว่าจะเป็นสละแกะสงมอบให้ที่สูรูปอื่นดีได้ก็ถ้าว่าที่สูรไม่รับรูปิยะไปสู่ตระกูลแห่งช่างเหล็กพร้อมด้วยกับปิยะการกที่ทายกส่งมาว่าเธอจงซื้อบาตถวายพระเถระเห็นบาตแล้วกล่าวว่าบาตนี้เราชอบใจหรือว่าเราจะเอาบาตนี้และกับปิยะการกใจรูปิยะนั้นให้แล้วให้ช่างเหล็กยินยอมตกลงแล้วบาตนี้สมควรทุกอย่าง ควรแก่การบริโภคแม้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอันหนึ่งทิศตุเมื่อทําการแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะนี้ไม่ควรที่จะบอกแม้กับกับียะการรบว่าเธอจงถือเอาสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้แล้วให้ดังนี้ก็คือเขาจะไปซื้อบาบให้เลยนะก็ไม่ควรจะไปบอกเขาถ้าเป็นรูปียะแต่ถ้าเป็นกับิยะพันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเธอจงช่วยถือเอาสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ให้ที แต่ถ้าเป็นรูปียะนี่ไม่ได้ถ้าเป็นเงินทองนี่เจนบอกว่าเธอเอาเงินแค่นี้ไปซื้อสิ่งนั้นมารี่ไม่ควรดังนี้ก็ถามวินิจฉัยเรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายในบาลีมุตกะวินยะวินิจฉัยสังเะจบก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่ทรงวินัยรักษาวินัยเพื่อความเจริญในพระพุทธศาสนาเพื่อการบรรลุอริยสัจธรรมสาธุสาธุสาธุ